พระยาโจวพุทธวิสัทธรายวันนี้ก็เป็นวันที่สองพฤกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสี่เป็นวันเจริกรรมฐานวันที่สองนะน 2, 2> แต่ก่อนจะลงมาขื้นไ่ถามพระเข้านี่รอกขาก็ได้ชื่อสมเิธีปังก ร, รเพราะว่าขึ้นไปแล้วท่านเรียกไปหา ท่านบอกว่าเมื่อคืนที่แล้วมาเราพูดตจำหลักวิชาอันนี้มีความจําเป็นต้องเรียนรู้บางอย่างจำหลักวิชาเัาวิชาจริงๆคือว่านาปาโนตติกับกายะนัสตาโตินี่เป็นบทที่เจวรลุอัลสารใช่ไหมมีความจําเป็นต้องพูดแต่ว่าพูดไปแล้วรู้สึกคนฟังจะหนักใจอยู่เพราะถือปฏิบัติยากวันนี้ให้พูดถึงเรื่องอาธินธันกขบุกพการณพราม ก่อนจริงก็ไปขอที่ฟังกันมาแล้วเนี่ยเพราะว่าอันดับแรกเขาบรรดาต่พุทธิดาษัจก่อนอย่างพุทธินกะบุปผกปรามคําว่าอาธินกะบุปกะแปลว่าไงเนะเรื่องเล็กๆหรือไม่หมดแล้วไม่ใช่ของเล็กมันมองมันก็เห็นเราแก่แล้วโ่จริงๆตออาธินกะบุปผกปรามเขาแปลปรามที่ไม่เคยให้อะไรกันมาในการก่อน เรื่องทว่าทานนิดเดียวนี้ไม่เคยให้ใครเลยเไม่ใช่ขี้เหนียวขี้แข็งขี้เหนียวมันดึงยืดแล้วบีบข้าวบีบลงใช่ไหมใค่ขี้แข็งนี่บีบไม่ลงดึงไม่ยืดแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ขอพูดเบื้องต้นก่อนการเจริญพันธพนธ์ถานของบรรดาทางพุทธบริษัทให้ถือพุทธานนิติเป็นสําคัญคําว่าพุทธานนิตติคือนึนกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ นายวิสุติมรักท่านพุทธโคศราัาจานท่งเป็นพระอรหันต์รัโรจนาวิสุติมรกษกายเขียนไว้ท่านถามว่ากรรมฐานสี่สิกองกรรมฐานได้มี40ี่สกองนะตฉันฉันได้สี่สิกองแต่มีพรจหัวท่านได้4ี่อกองหรือว่าเข้าไปหาท่านนั้นท่านถามว่าสมมติว่าคนโทรอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ได้จิตทุ่นนึกถึงคนโทมายังไม่ถึงคนโทนี่เขาเรียกกถางกองไหนเขาเรียกกระถานกองไห น, น, ไหนเลยบอกว่าอันนี้เป็นรูปประชานเรียกวิญญาณยันนันใจยันนันชานแต่เราไม่ได้สี่กองไหนทอเหมือนกันทำไมเคยบอกว่าเขาบอกไอกองนี้ถ้าจะจัดเป็นกองนี้ต้องเป็นกอที่สันที<า>่ส<า>ี่บเอพเจ้าไม่สอนไม่ได้เลยหัวราะโอ้ใเก่งจรหัวนี่เก่งมาก ทุ ก, กองเลยอธิบายวัา น, นั่นอธิบายให้สมเด็จพระเทพ ฟ, ฟังฉันนั่งอยู่นั่นด้วยนะถึงดูรู้แต่เจ้าเพือูศีลพอถ้าเราเห็นเป็นสีเหลืองเป็นเดชกสิณถ้าเรานึกถึงว่าท่านเป็นพระก็ไป็นพุทธาเป็นพุท ธ, ธ, ธ, ธานุสติใช่ไหมก็เป็นว่าให้ถือพุท ธ, ธานุสติเป็นสำคัญคาว่าพุท ธ, ธานุสติอนุสติก็แปลตามนึกถึงคือนึกถึงว่าผู้ด่เจ้าอันดับแรกที่เราจะทําอะไรทั้งหมด ตื่นขึ้นมาใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะฮะนึกด้วยความเคารพเพื่หวังนิพพาก็ตามมันึกถึงอยากจะขอลาภ ก, การิยาก็ตามก็ถือว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันอย่าง ม, มีพระคำข้าพระคำข้านหนักหนักในทางลาภ ก, การอย่างอื่นก็มีหมดแต่ลาภนหนักมากแล้วก็จิตขึ้นมามุชานมมือสาธุปานมโมตตะ ว่านโมทันสะด้วยความรับรอว่าพระอาจารย่านวันนี้ไม่ต้องการมากสักห้าแสนองศาก็พอเป็นว่าราอยากจะให้ค้าขายดีทําราชการดีเมตตาปานี้นี้อะไรก็ตามไปเพระอย่าลืมว่าเวลาดันเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราขอบารมีจากท่านอย่ามีถือว่าเป็นฌานในพุทธานุสติถ้าถึงเวลาแล้วต้องทําอย่างนั้นทุกวันถ้าไม่ทําแล้วไม่สบายใจนั่นเป็นฌานในพุทธานุสติของง่ายๆ เพราะวันนี้ท่านบอกให้พูดให้ฟังง่ายๆให้คิดง่ายๆนะเพราะว่าตามท่านแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกคนจึงจงจะลืมอนาปาโนสติคือลมหายใจเขาออกคดีสําคัญมากอนาปานสติคือลมหายใจเขาออกนั่นเป็นตัวคุมชานสมาธิจะทรงตัวดีหรือไม่ดีอยู่ที่อานาปาโนสติ ถาเราสงอนาปานุสติคือสมหาใจเขาออกได้ดีได้นานชายอ็สูีได้ก็ลมหายไปชายก็หายตอนนี้ในเมื่อบันดาลท่านพุทธบริษัทนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วอย่าลืมว่าพระที่คอนี่คือพระพุทธเจ้าอย่างพระคําคข้าวเป็นพุะสินราชก็เหมือ น, นพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนั่นแหละเป็นงองค์แทนพระพุทธเจ้าทัานและเวลาทำจริงๆพ ร, ระพุทธเจ้าก็มาทำ อ้ น, นี่ไม่ได้โฆษณาเนะี่ยพูดให้ฟังคือวเวลาจะทำจริงๆ พ, พระพุทธเจ้าทุกองค์เสด็จมาหมดองค์สมเป็จประธานอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่แล้วก็องค์ปัจจุบันคุมฉันท่านเปิดกระแสจิตที่เห็นไทรเขาเขียนเมื่อคืนวันนี้ใส่กระแสจิตแสงสว่างเป็นล้ำพุ่งมาที่ใจฉันแล้วบอกเธอนั่งนิ่งน่งอย่าคิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดห้ามดูอย่างอื่นทั้งหมดให้ทรงทอรมเฉยๆสิบนาที ก็ทําตามท่านและท่านสั่งว่าให้ว่าอิทิบิโสหลังจากสิบนาทีถ้าบอกดูได้พุ่งใจไปที่ของได้พอพุ่งใจไปที่ของแลเสที่เขเห็นไม่ลำมัไม่เห็นของที่หลุกเลยแสงพระเจ้า ก, กบหมดหนามากก็เป็นว่าเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทำข้าวจริงฉไม่ได้ทําทุกครั้งแล้วไม่ได้ทําเพราะว่า เรียนมาตามแบบฉบับเดิมแบบฉบับเดิมว่าไปเป็นเจ้าวาดพระบรรมโคเจ้าวาดใช่ไหมนั่นคือุณตำราพ่อปานจ้ะนี่สอนกรรมฐ า, านให้คุยกันเนี่ย <c oughs> เอา้า <c oughs> เดี๋ยวมันลงกรรมฐ า, านยังได้ <c oughs> แล้วตำราพ่อปานนี่ก็ไปค้างอยู่ที่บ้านอาจารย์แจงอาจารย์แจงนี่เป็นอาจารย์พ่อปานอยู่สุโขสุขโขทยัยเรียนะอะไรกันสอนขึ้นโลก เองก็นึกถึงตํำร า, ร า, าว่าฝ่าย่าควรจะอยู่ที่วัดมาทุมโคก็ไปขอคืนไปพอไปถึงก็ปรากฏว่าอาจารย์แจงตายไปสองปีแล้วเข า, เ, าเขียนหนังสือไว้บอกถ้าใครจะมาเอาตําราเล่มนี้ไปให้เอาดาบสองเล่มนี้ไปยืนยื่นสงแจ้งแค่ก็ดาบเปนดาบถ้ายินเสียงฟ้าผ่าลงมาให้มอบกระตากระตำนานี้ไม่ได้สั่งเมียไว้ แลก็ถามพัญญาของท่านถามว่ามีใครมาเอาไม้บอกทั้งพระทั้งครับบัตรมารมกันป้อรบเงือแต่ฉันไม่ได้เขาเขาฉันก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้สิทธอปานอยากจะได้เขาบอกว่าไม่ได้ต้องทําตามคําสั่งครับในคำสั่งเป็นคำสั่งฉันก็เลยไม่กังวใจว่าเราเป็นพระตอนนั้นเราก็ทุดดงมาตั้งเยอะแยะแล้วนะได้ชาสมาบัตรพอสมควรถ้าจะไปําดาบเนี่มันจะไม่ใช่พระให้พระรำดาบเป็นคนเรื่องนะ ก็ออนึกในใจบอกเอาตกลงเขาบอกต ก, ตก ล, ลงนะจบลงแล้วเอาดา บ, บาวางไหน้าพุทธรูปจั้งใจเข้าสมาธิเป็น ม, มัตราสิกไหว้ครูนึกถึงพระพุทธเจ้าจะเห็นพราแจนแจนถ้าเป็นรมถามอาจารย์ตำรานี้ผมยาไปใช้ได้ไหมท่านบอกได้ถ้าไปรำดาบของรำไม่ได้ครับพระมันไข่ข้องบอกอย่างโน่นสิ ออกไปเลยร้านชายคาฟาก็ผ่าแล้วนี่เขาคอยท่านอ่ะท่า น, านเป็นคนสุดท้ายตำราเล่มนี้ตระกูลของเราก็มีท่านเป็นคนสุดท้ายนอกจากท่านแล้วจะทำผลไม่จะทําไม่ได้ผลนึ่งสิบปอร์เซ็นก็เลยเอาตามว่าพอท่านปล่อกไปนล้วก็เหลืมตาออกมาก็เอาดาบออกมาไหมครับคนเขามายี่ยมดูโอ้เต็มเลยดูพระลำดาบให้เราเรีืมข่เาเจมื่น ลำดาดต้องข่ันกรเมนใช่ไหมไม่มีซะสิแม้จะมีปีมีกรองนะจะลยไม่ให้ขึ้นหมูหมาตื่นเลยครับไอศิลาไปถ่ายวิดีโอตอนร้นยก็เลยเดินไปเฉยออกจากบ้านตอเลยใช้คขาวแฟนฟ้าผ่าปริ้งถนัดเลยคนหลบราบสุดเรียบก็เลยให้มาเมื่อให้มาแล้วในที่สุดฉันก็คิดในใจว่านองพ่อปานน่ะดีแสนดี คนก็อยทาท่าเนติชาท่านท่านกเหน็ดเหนื่อยในการทำของแจกใช่ไหมคนเนติชาท่านไอเราดีไม่เท่าท่านก็ไ็นควรจะทำเก็บตำราเฉยดีกว่าโอ้โห<ค>ได้นค่ความยากแต่ใช่เข า, าเก็บ<ห>ใ้เฉืเองไม่ชอบใจคน<อ>มาคืนหนึ่งประมาณสองพุ่มนอนฟังข่าววิทยุดับไปนะ อยู่คนเียชอบมื่อเปื่เพาะว่าอาจจะคุยกับเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างแต่คุยนางฟ้ามันดีเนี่ยอ้โหม่อยเปิดนะ <laughs> แต่ไม่แน่นะโดนนางฟ้าปล่อยใจจากจะเอาเรื่องเอนกันโอมันจะปล่อยไปดีกว่าราว่าต <laughs> <laughs> อ, อนฟังฟังข่าวไอ้ออกกติกระไดก็นาจะเห็นคนเดินยบโยบโยบันไปดูนุ่งขาวห่มขาวก็นั่งบนเตียงปับเตียงโยบ ถามว่าตําราท่านปานทําไมท่านมไม่ทําเขาไม่ทําอะไรก็ไม่ทำถามท่านถามทำหมเพราะว่ารู้ว่าปานจะดีกวฉันนมากทําแล้วก็ยังมีคนอินทาเนื่ยเหนื่อยจะตายไปไอฉันก็ไม่ดีเท่าพระปานแต่ฉันก็ลองใจก็ไม่เท่าพรปานไม่กล้าจะทำถ้ามันมีทาฉันถ้าฉันทนได้ก็ดีครับชาฉันฉันทนไม่ไหวเหลืออะไรก็มานั่นแหละทำไมครับจะทําอะไรครับ ไม่จะทำลายพูดเผอพูดจงไม่ได้นะถ้าดา่าคนเล่นล้อเขาเล่นนี่ไม่เป็นไรเพเผอเป็นลายหนึ่งให้เข็ดเลยครับไ ป, ไปเท่จะมันลักหมูวัดไปกินโอตอนนี้พระ้ายอยู่ที่วัดข้าหนมนมๆนีท่ทาก็โมโหใช่ไหมครับก็ย่องไปขอปืนพ่อมาแล้ววัดตรงโคเนี่ยเหรอใช่โอ้ปักตนะิเอาปืนมา <laughs> ก็พอดีเพิ่งกลับจากเทศพอดีไ ด, ด, ด, ด, ด, ด้พี่ก็ดินข่าวเขาเรียกมาถามคุณจะไปไหนอบอกว่าผมไปสืบทราบแล้วว่าไอ้คนนั้นมันลักโมวัดไปคืนนี้ผมจะไปยิงวันนี้ผมจะสึกก็เลยบอกคุณอย่าไปทํามันเลยในเมื่อมันยาวไฟไปเผาบ้านมันจะทำมันทำอะไรไม่เล่าคขับรถไฟมาที่นรกใช่ไหมอแะไรให้สักบอกไฟเพียงเท่านั้นเวลาไม่ผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโงไฟไม่บ้านเหล่านั้น โอ้อันนั้นเลยเหรอครับใช่แต่แต่วัดนั้นมาก็เลยเกลียดไม่กล้าพูดไม่กล้าเผลอแต่อย่าให้เผลอนะทุกคนเลยนะถ้ะาตั้งใจพูดเฉยๆแล้วไม่เป็นไรเราจะพูดแบบนั้นนะให้าไปวัดอื่นนะไปพูดที่อื่นก็ได้ถึงแม่จะไปยู่ที่ไหนก็ถึง<อ>ก็รู้ความว่าหลังจนั้นท่านกมาบอกว่าให้ทำคาถายันนั่นยันนี่สอธิบายเสร็จใช่ไหมแล้วบอกว่าเวลาเนี่ยฉันเป็นพรมชั้นที่แปด แต่จคุณเนี่ยคุณเป็นคนสุดท้ายถ้าหากว่าคุณไม่ทําตอ่อรแล้วคุณตายไปแล้วแล้วคุณจะไม่ทําจะมีผลไม่ถึงสิบเปอร์ซ็นต์ข้าฉันไม่ช่วยไปไปมาถ่านบอกถ่าก็ไม่เอาทุกอย่างเราไม่เอาคพ่อก็ว่างนอน่อนง่ายแล้วไม่เอาเอาโยกผลพูดง่ายพูดง่ายได้ทําจริงอเอาจริงจังเ ER <licensed> ขาบอกไม่เอาทุกอย่างท่านนั่งนิ่ง ในจ้าวพูดสุดเอาใหญเอาผ้ายันหมายใช้ถงคลามมาเปิดเช่นดูเอาตรงนี้ก็แล้วกันนี่ทั้คัญมากคุณใช้ได้ทุกอย่างคุ้มทั้งหมดทั้งเมตตามหายมมิลาสการะป้องกันทุกอย่างหมดใช่ไหมก็ไม่ไหวอ่านไม่ไหวเยอะแยะเขาบอกไม่ต้องใช้รขาสี่ตัวเนี่ยใช้กระพิมกระเจิงกระตาเป็มใช้ขาสี่ตัวปลุกเอาสี่ตัวก็แบ้ว คนฉันดี้แค่สี่ตัวยังไม่นี่หมดไปสิห้าตัทีแล้า ต, ต่อมาเธอเลยบอกว่าเอานี้ก็แล้วกันฉันนั่งนิ่นงไปแต่ึ้นชั่วโมงนะถ้าเห็นมาบอกเอานี้ก็แล้วกันนะแสดงถ้าเธอจะทําอะไรแล้วก็พระขาวปู่ของวางไว้แล้วบอกฉันฉันจะมาทําเองก็เลยวันนั้นไปต้นมาฉัน <c oughs> ก็สบายตลอดมาหากินแบบนี้แล้วศักดิ์สิทธิ์นะอา ไปที่อารันยิกมีไอ้คนหนึ่งแค่ม .8 ใช่ไหมครับครับถ้าคุยคุยเรื่องอะไรวิทยาศาสตร์ก็เลยมีก้อนทองแดงไอ้ก้อนหนึ่งมันหนักประมาณละสามกิโลเอาว่านักวิทยาศาสตร์จะทำให้ก้อนทองแดในี่ลอยน้ำได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต่อฉันโพธิศาสตร์ทำได้เลยมึกถึงท่านท่านบอกได้โยนน้ำเลยจะโยนตับเป็นลอยตองบอกแจูแจ้ทำใหดาดเจยง ถ้าแกทําไม่ได้แกก็ไม่ต้องมาคุยเช่นตอนอื่นให้ความรู้เรมาแบบนี้เลกแน่ได้ทีเลยใช่ใจแต่ว่าต้องทำอย่างยิ่งเพราะว่าท่านบอกให้ว่าคาถาบทไหนว่าตามท่านถ้าเต็มแล้วท่านจะบอกว่าเต็มแล้วลืมตาได้หลังจากท่านมาก็จากท่านพรหมทั้นที่แปดคำต่อมาแล้วพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านทำหลังจากนั้นมาก็หมด ทุกครั้งตั้งแต่อยู่วัดท่าซุงนะรวมหมดพระพุทธเจา้าทุกองคเราอารัธนาหมดพระเจพพุทธเจา้าทุกอง์รัธนาหมดพระอทหารทั้งหมดกรงเทวดาทั้งหมดรวมหมดแล้วก็นั่งหลับตา น, นี่องคไหนที่สังคุมท่านบอกเอว่าอาถาบทนี้ไปนะอาถรรพไม่แน่นอนบางทีว่าว่าไปไปเดียวบอกเปลี่ยนอาบที้นะความหมายอะไรก็ไม่ทราบ ว, ว่าพอถึงเวลาจะสังเกตได้ว่าถ้าถึงที่สุดจะมีเท่าหมหาจุลภูมาเป็นเป็นกลุ่มที่สุดท้ายถ้ากลุ่มเท่าหมหาจุลภูมาพ อ, พอเสร็จจะบอกเต็มแล้วเลิกได้อ๋อปิดช้าได้เปล่านั่นแหละนี่เป็นวิธีง่ายๆข้ อ, ออะไรมคไหมข้ อ, ออะไรฮนะข้อเถื่อนสติเป็นสำคัญ อ, อ, อ, อ๋อข้าพเจ้าหายแพ้เลยแนละ้วก<อ>็จ ะ, จ, ะจะไปไม่หลอดแล้ว ถ้าไปมันต้องรอดไอ้ที่ยังไม่ไปไอที่ไม่รอดเขายัางไม่ไปเป็นพุทธานุสติก็ต้องถือว่าอนุสติแปลว่าตามในถึงระยองนับนับถือใข่อันดับแรกเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับขันดับที่สองรองลงมาในคราวนั้นก็นับถือพรมนี่คืออาจารย์แจ้งนั่นแหละโอ้เป็นทรหมชั้ที่แปดใช่ไหมเป็นหลง เพราะฉะนั้นในเมื่อท่านมาพอปูข้าขวเสร็จจุฑาจุฑเทียนเสร็จท่านก็มาเห็นตัวนะเห็นตัวท้านบอกคุณว่าคาถาบทที่ไปนะคาถาได้ไม่เกินสี่คำสามคำบองสี่คำบางสองคำบางตามที่ท่านสั่งและท่านขอทําท่านเองเมื่อทําแล้วจะมีแสงมีลสมาิขึ้นเมื่อแสงขึ้นเป็นสีอะไรท่บอกไอ้นี่มีขนท่านั้นท่านั้นมาว่าไปําสี อย่างครงนี้พระกรรมข้าวสีบูคือสีเขียวพอสีเขียวขึ้นตลอดนี่สีบูบริษัทนี้บูแปลว่าอะไรเปล่า <c oughs> ต่อตู้ป้องันอะไรงี้ใช่ <c oughs> ก็เป็นนัาข้อบัญดาแต่พุทธบริษัททุกคนคำว่ากรรมาฐานหมายควาจิตถึงทำในาจิตเป็นสมาธิสมาธิปรว่ตตามนึกถึง <c oughs> ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน โดยเฉาอย่างนี้อย่าทิ่มลมให้ใจเขาออกท่านมาให้บอกว่าให้พูดเรื่องอาชถรกับพระภะพราชเชียแมับขึ้นรถไว้ว่ า, ะยะาอย่างนั้นอาถรรพ์พระภะพระชเปเขาไม่นับถือพุทธศาสนามา ก, ก่อนเพราะเขาเป็นอาจารย์สอนวิชาของพระเฮ้ยเจ้าเคยเดินผ่านบ้านทุกวันไม่เคยแม้จะยกมือไหว้ต่อมามีลูกชายเขามีลูกชายคนหนึ่งเป็นหนุ่นนมล้นหนุ่ ในเมื่อลูกชายป่วยเขาเป็นมหาเศรษฐีก็คิดในใจว่าลูกชายเมื่อลูกชายป่วยถ้าจะซื้อยาก็กลัวบันจะแพงอจะหาหมอกลัวเสียสตางค์มากก็ไปถามยาของหมอเขาว่าโรคลูกชายเป็นโรคผิวเหลืองผอมเหลืองไหมถ้าสายาอะไรเขาบอกยาจากบ้านมาเขาก็ไม่ถูกกับโรคเมื่อลูกป่วยหนักก็คิดในใจว่าลูกชายแล้วป่วยหนักดีไม่ดีญาติอาจจะได้ขา<ฆ>่าวจะมาเยี่ยม ถ้าไปนอนในห้องนี้มีเครื่องประดับมีราคามากๆในดีไม่ดีเขาาจะขอก็ได้เลยยกลูกชายมานั่งนอนที่ระเบียงเรือนจะดีขนาดนั้นนะครสาวหายากหนาโมเสายากในที่สุดลูกชายก็พนั่งคิดนอนคิดนั่ไม่นั่งนั่งไม่ไหวแล้วที่บ้าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์ถิ่นก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของเรามีพระพุทธเจ้าเขาลือเลว่าพระพุทธเจ้าคือพระสมนะโคดมมีเมตตาไม่ว่าใคร ก็นึกถึงได้พระพนึกถึงให้พระเจ้ามาช่วยให้หายจากความเป็นโรคขณะที่นึกถึงนั่นเองพระพเจ้าเดินบินบาตผ่านไปก็เป็นแสงให้เข้าตาเธอเผยแสงทว่างก็หันไปดูตามแสงทว่างเห็นแล้วพระเจ้าว่านึกถึงพระเจ้าตอนนั้นก็าตายตอนนั้นหลังจากตายจากความเป็นคนทั้งท่าไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศ เธอตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชัน้บบนดาวเรงก็เทวโลกอะไรแค่มองน่เห็นไหมละ่ะนิดเดียวนะนดดวแล้วก็ไปเดินไม่ได้มีความเคารพเป็ น, นเพียงว่าขอมาช่วยรักษาโรคมีนิมมานทองคำเป็นที่อยู่มีนาวฟ้าหนึ่งพันบริวาร น, น่าหนักใจนะต้องพันอย่างเงี้เลยครับพันตั้งพันน่าหนักใจคนเดียวยังแย่เลย <laughs> แนี่ต่อมาพระพรามจะคิดถึงลูกในตอนเช้าทุกวันจะยัต้องไปที่ปากหลุมปากหลุมทั้งศพลูก อ, อินเดียฝังใช่ไหมอินเดียฝังใช่แล้วก็ออกไปพันนาคอยลูกกลับมาเกิดใหม่อ่าเนี่ยตอนนี้เทวดาคือว่ามัตตกรรลีเทพบุตรจุชัยคือว่าตายแล้วไม่เป็นเทวลาก็ได้นเหมีนาวามัตตกรรดีเทพบุตรนะอ๋อมีซื่อด้วย กรว่ามีต่างหูเกลี้ยงคือต่างหูไม่มีไม่มีเพชรไงคนหนึ่งเขามีเพชรคนนี้ไม่มีเพชร ม, ม, ม, มีทองมีเจอทองคำอย่างเดียวที่เหนียวเขาเองเใช่ก็เลยก็มองเห็นพ่อคือคิดว่าพ่อเราเป็นคนผ่านเคำว่าผ่านนี่แปลว่าโง่พระพุทธเจ้าอยู่กับผ่านบ้านทุกวันไม่ไม่ไม่เคยแม้ยกมือไหวและไม่แนะนําให้เราเคารพด้วยอห้ามเคารพก็จะต้องทรมานพ่อก็เลยแปลงเป็นคนรูปเดิม มายืนใ ก, กล้ๆตาพรามก็ยืนร้องไห้คิดถึงลูกไอ้หนุ่มนี้ก็มายืนร้องไห้เหมือนกันตาพรามก็คิดในใจว่าเราร้องไห้คิดถึงลูกแต่เจ้าหนุ่มน้อยคนนี้มาคิดถึงใครรู่งร่างกับใยรลูกของเราเลยเกินออถ้าได้มาเป็นลูกพวงเราแทนลูกคนเก่าจะดีมากเราจะขึ้นใจ<อ>ยินถาว่าพอนู้ร้องไห้ถึงใครทำไมจะร้องไห้พอนุ่งก็ถามว่าลุงร้องไห้ถึงใครแล้วทำไมจะร้องไห้ ลุงก็เลยบอกว่าลุงมีลูกชายรูปร่างคล้ายๆเธอเนี่ยแหละตายฝังอยู่ตรงนี้ลุงต้องการให้เธอกลับมาเกิดใหม่มาเป็นลูกใหม่ะหรือว่าถ้าลูกไม่กลับมาเกิดถ้าเธอเป็นลูกลุงเธอต้องการอะไรลุงจะให้อเจ้าหนุ่มก็เลยบอกว่าเวลาที่ผมมีรถทองคันอยู่ อ, อคันหนึ่งก็ยังไม่มีล้อ ประธานก็ถามว่าเธอต้องการล่ออะไรล่อทองคําหรือล่อแก้วมันีแก้วประพานั่ก็บอกว่าเธอทุกอย่างอยากหาให้ม่ใช่กุนลีก็นึกในใจว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่แม่พ่อจะหาหมอไปเสียดายสตังค์เห็นไหมจะซืียยาก็เสียดายสตังค์เวลานี้เราแปลงตัวมาส้ายก็ลูกเดิมเสียสลากแม้ทุกอย่างแม้แต่แก้วมันีหรือว่าทองคำก็เสียยาจะเสียจจะจ่ายให้นะก็ตั้งใจเลยแกงบอกว่าฉันมีรถทองคํา อยากทำคำําล้วเจ้ามณีมาเป็นร้อที่ไม่สมควรกันฉันอยากได้ดวงจังนทะดวงอาทิตย์มาเป็นร้อข้ามละว ง, ง, งจะทามงก็บอกไอบ้บ้าไอ้สั์ภาษาไทยแทย้แข่แท้นะจะเอามาได้ยังไงดวงจังนทะดวงอาทิตย์แกกันเลยได้มาไม่ตะโกนเลยก็ถามว่าลงุงผมต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นร้อดลดแต่ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา ลุ่ต้องการให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ลุงทราบเห็นเลยว่าโดยอันนี้ลูกชายอยู่ที่ไหนอลุงบอกไม่เห็นไม่รู้ก็เลยถามว่าแต่คนที่ต้องการสิ่งที่เห็นในตาได้กับคนที่ต้องการสิ่งทีเห็นในตาไม่ได้ใครบ้ามากกว่ากันแน่ต<ใ>ลาด <c oughs> ก็เลยบอกตามความนจริงว่าเธอเป็นลูกชายเวลานี้ไปเกิดระสวรรค์ฉั้นดาวเือเสือโลกก็แต่ตัวเป็เทวดาตามเดิมนะอ ก็บอกพ่อถามว่าไปเป็นธรรดาได้ได้ยังไงเธอก็บอกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมก่อนหน้าอย่ตายนิดเดียวแค่แวบเดียวก็ตายตายไปเป็นธรรมดาได้ขอให้พ่อกับแม่ทั้งหมดแม่ญาติทั้งหมดจงเคารวพระสมณโคดมจงฟังเทศจงใส่บาตรจงยกมือไหว้แล้วเธอก็เหาะไปเหาะไปถึงนิมานเห็นนิมานด้วยนะพ่อก็ดีใจกลับไปบ้าน ให้สั่งแม่บ้านบอกี่วันนี้ทำกับข้าวมากๆทานขนมมากๆจะเลี้ยงพระสมณโคดมพระสาวกก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าข อ, ขอเล่าลัดรือเวลาสามนาทีเขาไ<ป>ถามว่าพระสมณโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงที่ท่านอย่างเดียวตายแล้วไปสวรรค์มีไหมพุทธเจ้าบอกว่าพราม คนทีไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใสบาตไม่เคยฟังเทศจากัดสาธค้นึกถึงชื่อสาธค้อย่างเดียวตายแล้วก็เกิดไปสวรรค์นับนับไม่ถ้วนไม่นับเป็นพันเป็นล้านไม่โกดถึงนับไปโกดโกดไปเลยนะเนี่ยแล้วก็ทรงเรียกมตกิุนารีเทพบทให้มาเพราะมีมานที่มันก็เธอก็ลอยลงมาเมื่อลอยมาแล้วก็มาเข้ามาใกล้เธอก็ลงจากวิมา น, นราพระสาวพระพุธธทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงเทศโปรดมัติุนาลีเทพบท ก็ตัวคุณมาดีแทบปวตายจากก็ฟังเทศจบ ก, ก็เป็นระโศดาบันตามก็เลยลอยเป็นไปด้วยคนอื่นหลายคนก็อเป็นไปด้วยอ๋อวอออันนี้ก็เป็นว่าวันนี้กรรมฐานมันเหลือเวลาสองนาทีครับขอบรนดาลเจ้าพุทธบริษัททุกคนก่อนเมื่อก่อนเมื่อปีใหม่ใหม่ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถ้านึกถึงไม่ไหวก็พระที่คอนี่แหละจะเป็นพระทำข้าพระห้มามงหรือพระวันไหนก็ตามก็าทำเหมือนกันหมด แค่องค์พระเจ้าเหมือนกันนะอารัตน์นาขั<อ>้นอันดับแรกก้างนามูคือแสดงความเคารพด้วยความจริงใจเราจะนั่งอดีขายต่างความชอบใจต้องการขายซื่อง่ายข า, ายส่งก็ได้รับแรงงานดีก็ได้ตามใจชอบตอแต่จริยว่านั่งคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะไปนิพพานท่านานั่จากนั้นเราคิดนั่ตายตั้งใจคิดไว้ว่าถ้าเราตายเมื่อไรเขาไปนิพพานมานั้น ใช่นี่นะได้บตอนนี้ถ้าบังเอิญตายกําลังใจมันไปกําลังใจมันไม่ถึงนิพพานใช่ไมครับครับอย่างเร็วก็ไปเข้าวสวรรค์ท่านดาวจริสเทวโลก อ, อ๋ออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับครับในเวลาที่ตายไปในร่างกายมันไปแต่ใจร่างกายไม่ได้ไปไม่อยู่แต่ใจมันไปไอ้ใจที่อยากจะไปนิพพานเนี่ยมันยังมีอารมณ์อยู่ <c oughs> ถ้าฟังเทศเจ้าพระพิจารณ์เป็นแค่จบเดียวอย่างน้อยก็ไปพระาราม <c oughs> ไม่ใช่โสดาบาัญจมเดลุณดลีไปรู้จักไปเลยนะเพราะเขาเราดีกว่าเราคิดถึงทุกวันใช่ไหมเนี่ยก็ต้องมีการทา บ, บุญสังฆทานาาอะไรก็เยอะแยะอยู่แล้วด้วยใช่ใช่บุญทุกอย่างเขาท ำ, า<ม>ทำาแล้วทาทุกอย่างแล้วบล็อกแล้วนี่ถือว่าเป็นที่พักขั้นแรกของเราหรือว่าฮัมบรนดาตะพุทธวิสัสสท่านได้หักว่าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าด้วยนึกถึงพระที่ขอด้วยแล้วขอราภทาระจากท่านถ้าพร้อมกันนั้นเราก็คิดว่าชีวิตนี้มันเต็มไม่ได้ความทุกข์ ขึ้นี่าความทุกข์มาจ็บไหนมาจากการมีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่มีความทุกข์อย่มีร่างกายเราหิวเพราะร่างกายเราหนาเพราะร่างกายเราร้อนเพราะร่างกายเราป่วยไข้เพราะร่างกายเราต้องพักผ่าจ่ายของนักของชอบใจเพราะร่างกายเราตายเพราะร่างกายจึงนชี้ว่าร่างกายเลวๆอย่างนี้จะไม่ขอมีอีกต่อไปเมื่อตายอย่างนี้แล้วขอไปนิพพานถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันมันจะมีการสะสมตัว ถ้าตายวันไหนจะตายวันนั้นจะเป็นพระสารนั่งไปที่พานทันทีใช้วิธีง่ายๆแบบนี้แยกยมนะตอนนี้ไปขบนาแยกยมผู้โดยสท่านตั้งใจสมาทานศีลที่มาการกรรมฐา